ขพความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้คงพูดเรื่องจุลปันธกสูตรที่ต่อจากที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนคือเรื่องนี้มีลักษณะเชื่อมโยงกันหลายช่วงหลายตอนและหลายพบหลายชาติ เพราะว่าผลที่มาประกวแก่พระจุลปันธกนั้นมีลักษณะนนที่แตกต่างกันเช่นการไปเกิดในครอบครัวที่ยากไร้แล้วก็เกิดกลางถนนมีสติปัญญาทึบมากต้องคาถาสีบรรทัดสีเดือนยังไม่จบแต่บทจะบรรลุมรรคผลขึ้นมาก็บรรลุได้ในเวลาที่รวดเร็ว แล้วก็แตกฉานมากฉลาดในการพลิกแปลงจิตสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายมีเสเร็จ ด, ด้วยจิตได้เป็นพันๆซึ่งจากหลักฐานที่ศึกษามาก็พบว่ามีอยู่องค์เดียวที่ทำได้อย่างนี้พระพุทธเจ้ายกย่องท่านไว้ถึงสองสถานะดังกล่าวแล้ว สี่ข้อความที่พระเจ้าทรงเปล่งพระพุทธโอษฐานเนี่ยเป็นเหตุการณ์ในช่วงที่ท่านบรรลุมรคผลเป็นพระหานแล้วแล้วตอนนั้นพูะเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชศตะวันเมืองสาวัติแต่การบรรลุมรคผลของท่านนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุงราชสุข ลูอพุเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเวรุวันกลันทกะนิวาปสถานซึ่งก็เป็นพระอารามแรกที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาขบวนก่อนได้พูดถึงคาถาสี่บทสีบรรทัดน่ะที่พระมหาปันธถกะกะให้พระจุลปันโท ท่องมีข้อความแปลเป็นไทยว่าดอกบัวโกกนุษมีกลิ่นหอมบานแต่เชา้าถึงมีกลิ่นไม่ปราดฉันใดเธอจงเห็นพระอังคีรธผู้ไพโรธอยู่ดูดปราชิดสองแสงในกลางหาวัชนนั้น คือเป็นข้อความในแนวเจริญอนุสติคือพุท ธ, ธานุสติอังกีรถเป็นพระนามพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้าคือตอนที่ญาตุโทธนะเชิญพรามร้อยแปดมาระชุมกันแล้วขอให้พรามคิดชื่อถวายเนี่ยพรามก็ถวายพระนามประสิท ธ, ธ, ธ, ธิ์ถราชกุ ม, มาร เรีว่าต้องการอะไรก็จะได้สําเร็จตามที่ตนต้องการเราอาจจะแปลเป็นไทยว่าสมหมายสมใจสมหวังสมจิตอะไรก็ได้นะแต่ว่าพระญาติได้ถวายพระนามไปการภายในในหมู่พระญาติคือเรียกกันว่าอังคีรศ ก็เป็นพระนามที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์จะมีความไพโรธชัดชวานคือรุ่งเรืองในโอกาสต่อไปคาถาเพียงสี่บรรทัดเท่านี้พระจุลบันธุ์ก็ทองไม่ได้ก็เมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทานผ้าซึ่งสเสม็ดวิริศเนี่ยหมายท่านบริกรรม และพระองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์ห้าร้อยก็ไปที่บ้านของหมอชิวโกโกมารพัฒน์จกระั เ, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงราชสุขดังกล่าวคะถาที่ทรงประธานให้บริกรรมนั้นก็ข้อความสั้นๆกระทั่งก็จำได้คือว่าระชวระนังระจวระนังแปล ว, ว่าภาพเบื้อทุลี ภาพเพื่อนทุรีท่านก็นั่งบริกรรมไปจนถึงจุดหนึ่งีเงื่อมันก็ออกแดดมันก็ออกเนื่อท่านก็ออ ก, ก, ออ ก, ก, ออกแล้วก็ทําให้ภาพเพื่อนท่านก็เริ่มพิจารณาว่าท่อนผ้านี้สะอาดแท้แต่อันัยอันตาภาพนี้จึงละปกติเสียกลายเป็นของเศ้าหมองไปอย่างนี้ไปได้สังขารทั้งหลายมีเที่ยงหน่ เราเห็นว่าประโยคสั้นๆเนี่ยประโยคที่ยกขึ้นมาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ่อมันเกิดขึ้นเป็นยานอ่อนๆก็แสดงว่าท่านผ่านสมาธิมาจนถึงบรรลุฌานแล้วเกิดความคิดผุดขึ้นมาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเริ่มมอง มองความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขอสังขารอะไรก็ตามก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็มองเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วก็มองดับดับดับดับับับตลอดก็เรา ม, มองดูชีวิตของเราที่จริงมันดับอยู่ตลอดก็เรามมแก่อยู่ทุกทุกปีนาชีที่จริงมันแก่เร็วกว่านั้นนะนะครัเดี๋ยวก็วัดกันไม่ทันนะี่ ชีวิตเราก็มีแต่จะเดินลงไปทีเลยเรากล้ความตายซึ่งก็ไม่แน่ว่าจะเกิดเมื่อไรแต่ว่าเกิดแน่เพราะตัวความตายเนี่เป็นของเที่ยงแต่ว่าจะเกิดเมื่อไรนี่ไม่เที่ยงเกิดทิพไนเกิดเมื่อไรเกิดอย่างไรเกิดเพราะเหตุใดเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าความตายนี่เป็นของเที่ยงแต่ว่าชีวิตไม่เที่ยง การยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเราจึงเห็นสองช่วงช่วงที่เอาพระขามาบริกรรมเนี่ยทาจิตให้สงบอยู่กับบทบริกรรมที่เรียกว่าระชูระนังระชูระนังตั้งจะหลับตาหรือลืมตาก็ไม่ทราบแต่ในกรณีนี้ที่จึงลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้ แต่ว่าแสดงว่าจิตใจท่านสงบ แ, แน่ๆแล้วก็ผ่านฌานมาโดยดําดับเพรเกิดปัญญาผุดขึ้นที่สืบเนื่องมาจากการเห็นผ้าที่เศร้ามองไปแล้วท้ากันมาสรุปว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอคันแล้วก็เริ่มมองสังขารทั้งหลายโดยเริ่มต้นที่อ น, นิจจะลักษณะนะครับ ทีนี้การเริ่มอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับใครจะเริ่มตรงไหนถ้าเริ่มจากอนิจจลักษณะเวลาจิตมันหลุดพ้นเวลาหลุดพ้นที่ท่านเรียกวิวโมกเนี่ยมีถ้าเรียงตามลำดับมาเนี่ยก็เรียกว่าอปเปนิตาวิโมก อันนี้มิตวิโมกแล้วก็สุญญตาวิโมกหมายควมาเรียงตำโครงสร้างของไตรลักษณ์หรือนิจังทุกขังนักตาแต่ในกรณีนี้เรียกว่าอเปนหิตะวิโมกคือจิตบรรลุพ้นจากกิเลสด้วยการเห็นไตรลักษณ์หมายความไม่เห็นนิจังก่อนแล้วต่อไปจะเห็นทุกขังในตา แต่ท่านเริ่มที่อนัตตก่อนก็เรียกว่าสุญญาตะวิโมก ค, คือจิตมันหลุดพ้นด้วยการเห็นอนตัตตาก่อนก็คือการนั้นนะฮะเกิดมาความมาแตเห็นก็ต้องเห็นหมดแต่ว่าเห็นอะไรก่อนเนี่ยท่านก็จะเรียกชื่ออย่างนั้นแต่ว่าผลจากการปฏิบัติตอนนี้ก็เป็นขณะจิตคือตอนนั้นถ้าเรามองถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ลักษณะทาง สถานการณ์นนะฮะพระจุลบันถกก็อยู่ที่ใกล้ประกันตะกุดีของพระพุทธเจ้าในขณะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปประทับอยู่ที่บ้านของนายของหมอชิวบกโกมารพัฒแล้วก็พระพุทธเจ้าจึง ทรงทราบว่าเวลาเนี้ยจิตของท่านจุลปันทุกนั้นขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วพระองค์จึงรับสั่งรับสั่งก็หมายความมาได้ยินเฉพาะพระจุลปันทุกว่าจุลปันทุกเธออย่าทำความหมายเฉพาะท่อนผ้านั้นว่าเศร้าหมองติดทุลี คือทุลีจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ฝุ่นละอองไม่ใช่โครนตรงเพราะทุลีเหล่านี้ที่จริงถ้าเกิดขึ้นมันก็ล้างง่ายมันเป็นเพียงอุปกรณ์ในการสื่อแต่นั้นเองเพราะว่าตัวกิเลสซึ่งเป็นทุลีแท้ๆเนี่ยมันดูยากมันเป็นนามธรรมมันอยู่ภายในเพรเอาฝุ่นเอาละอองเอาทุลีเอาโครนตรเอาเปลือกตรอะไรแต่ไรต่างๆเอาโครน ก็มาเป็นเครื่องมือในการสื่อคำวถุลีว่ามันทำให้แปดเปื้อนรับสั่งว่าก็ทุลีทั้งหลายมีทุลีคือราคะเป็นต้นมีอยู่ภายในใจของเธอเธอจงต้องพนพยายามนำออกและกาจัดเสียในขณะนั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าก็ใช้พระรูปที่สมเ็ดด้วยจิตคือเป็นมโนมยิจ พระองค์จริงๆเนี่ยนั่งอยู่ท่ากลางพระสงฆ์ห้าร้อยรูปที่บ้านหมอชีวกกมาราพัฒแต่อีกพระองค์หนึ่งทํางานสอนลูกศิษย์อยู่ที่พระเบรุวันการปรากฏพระองค์ในลักษณะนี้ในเทรีคาฐานีจะมีเกือบทุกองนะเพราะว่าพระเทรีพอเห็นนามลูกเกิดดาบในผู้หญิงเกิดกลัว เห็นเกิดดับแล้วมันถึงจุดหนึ่งเ็เรียกว่าพยตุปทานญาณคือจะมองเห็นสังขารเป็นของน่ากลัวเหมือนกันนั่งอยู่ใกล้เสือนั่งอยู่ใกล้ราชสีนั่งอยู่ใกล้อสรพิษมันน่ากลัวการน่ากลัวตรงนั้นถ้าหากสติไม่ดีนี่อาจจะตะลิดอะไรไปได้วันพระ เ, เจ้าก็จะปรากฏพระองค์ในรูปของมโนมยิฐ คือมีคนเป็นนันมากที่พูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปาฏิหาริย์คือมันพูดตามกระแสตามกระแสว่าคนยุคนี้ไม่เชื่อแล้วก็คือเพื่อจะคล้อยตามเขาคือไม่ต้องคล้อยตามนะฮะเราไม่มีไม่มีหน้าที่คล้อยตามาใครใครเรามีหน้าที่คล้อยตามทำคืออย่างที่เคยบอกให้ท่านฟังว่ามีการศึกษาเราจะต้องมองข้อเท็จจริงในแง่ของประวัติศาสตร์ คำว่าประวัติศาสตร์คำเดียวมันมีอะไรอีกเยอะเลยเช่นสมมติวสุนทรรามยุทธาธีเนเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แต่เรามองถึงลักษณะาทางสังคมลักษณะความมั่นคงลักษณะาทางเศษรษฐกิจลักษณะาทางภูมิศาสตร์ลักษณะของออแม่น้ําลําทานท้องนาค้าศึก อะไรแต่ลต่างอีกเยอะไปอือคำเดียวนะฮะก็ต้องสะท้อนแต่คำเดียวคือต้องคิดได้ออกวัฒสถานการเดี๋ยวนี้จริงๆเหตุการณ์มันเป็นยังไงเพราะว่านักเขียนประวัติศาสตร์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นคือเราอาจจะไปในตรงนั้นนะที่ที่ไปเรศวรทําสงครามยะะุทธจีแล้วก็ไปตั้งสมมติฐานขึ้น มันมีจุดที่ชัดเจนแล้วก็จุดนั้นก็เรามองโดยประมาณการเนาว่าเออขา้ขาสึกพม่าอยู่ตรงนั้นตรงนั้นกองทัพปนเรศวรมาอย่างนั้นช้างตกมันมันมาแรงช้างอื่นก็ไหลไม่ทันมันกองทัพเป็นลักษณะกระจายแต่ว่ากองทัพพม่าก็จุกตัวกันอยู่เออก็เตรียมมีความพร้อมสูงมากของเราไม่พร้อมเลยไอ้นเนี้ยประติศาสตร์มันก็ ทำใหเราอธิบายอะไรได้เยอะข้อเท็จจริงในแง่ของธรรมะข้อเท็จจริงในแง่ของปาฏิหาริย์อย่างในกรณีนี้ข้อเท็จจริงในแง่ของธรรมะก็คือว่าทุลีจริงๆไม่ใช่ทุลีที่เปื้อนผ้าขาวหรอกแต่ว่าเขาต้องการจะสื่อสารต้องการจะใช้เป็นสื่อให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยมันเปื้อนแต่ร่างกายเปื้อนเนี่ยอาบอาบน้ำมันก็หาย หลังเพื่อนอีกก็อาบอีกก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเพื่อนจริงๆเนี่ยคือเพื่อนโดยทุลีคือกิเลสตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงเปล่งพระพุทธธรรมระแล้วก็เป็นเหตุให้พระจุบรรโถกบรรลุมรรคผลเป็นพระหานก็ความตรงนี้ไม่ได้อยู่ในอัตถกถาของอุทานนะครัก็อยู่ในพวกกลุ่มกุธกะด้วยกันแต่ว่าไปอยู่ที่ธรรมบท ท่านนับเล่นประเจยวดุกเล่นเดียวกันนะคือเล่นยี่พาด้วยกันแต่ว่าตัวพระธรรมบนีไปอยู่ในในตอนหลังอุทานเนี่ยเขาอยู่ในตอนก่อนเพราะงั้นพระเจ้าจึงรับสั่งท่านบอกว่าทรงเปร่งพระรัศมีเป็นผู้มีพระรูปปรากฏดุจประทับนั่งตรงหน้า แต่ยังไม่มีเป็นมนโนมนยิตเป็นรูปที่สมเ็จด้วยจิตพระรูปแท้ๆของผู้เจ้านั้นประทับอยู่ที่บ้านของหมอชีวโกโกมารพัทท่านเราจะเห็นว่าข้อความในตอนนี้ในอัตถกถาพระธรรมบทด้ล่าไว้ว่าพระพุทธเจ้าเมื่อ ประทานผ้าให้เสร็จแล้วเนี่ยก็มีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จไปที่เรือนของหมอชีวกประทับนั่งบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้เราแสดงจริงๆพ ร, ระเจ้าประทับอยู่ที่นั่นแต่ว่าองค์ที่ไปเทศเนี่ยอันเป็นรูปที่สำเร็จโดยจิตเป็นมโนโมยิธทธิรูปที่สำเร็จโดยจิตก็ทําทนองคล้ายๆกับเสด็จไปโปรดพระองค์คุริมาน เพื่อถ้าเราดูลักษณะทางภูมิศาสตร์แล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่พระพุทธเจ้าจะไปด้วยองค์ถ้าไปด้วยองค์ก็หมายความมาใช้อิทธิวิธิแต่ถ้าไปด้วยจิตก็ใช้มนุวิยิธิก็ใช้ทั้งสองอย่างพระสถานที่ที่ไปโปรดองคุลิมานกับพระเชตวันเนี่ยมันห่างกันตั้งร้อยห้าสิบโยชนขับรถยนต์ไปก็ตาเลือกแล้วแต่รู้จัเสด็จไป ไม่กี่นาทีนะไม่กี่ชั่วโมงไงก็เป็นชั่วโมงอาจจะเป็นชั่วโมงก็นำพระองคุลิมากลับมาเป็นพระมาที่ไปเชตวันพระเจ้าประสิทิ์นิกโกสนมาเฝ้าเนี่ยแล้วก็มาเฝ้าในทุ่งเช้าก่อนที่จะเสด็จยกองทัพไปปราบโจนองคกลิมา อันนี้เราก็มองในในแง่ของการเวลาว่าระยะมันใกล้กันมากพระเจ้าประเดชไปโปรดก็ช่วงเช้าพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสิิ์นั่นก็โศดมักเภาก็ช่วงเช้าอ๋อแสดงว่าโคชงทรงใช้ชถ้าเป็นอิทธิวิธิมันก็ใช้แบบโปรดพระนุนคือใช้ฤทธิ์นำพระโมกขลานะมาเพราะว่าตอนนั้นพระโมกขลานะยังไม่บรรลุมักผลเป็นประหานคือมาเองยังไม่ได้ ก็จำลองพระน น, นะฮะคือท่านเป็นผู้ตุชนอยู่ผู้เจ้าก็นำไปด้วยทิศอันนี้คือปัญหาข้อเท็จริงไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดเอาเองคืออย่าไปคิดเองกับพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้พบเอกสารเยอะที่อ้างการลามมสูตรอ้างมาเฉพาะทีส่ส่งแสดงว่าไม่ควรถือเอาด้วยเหตุเพียงเพราะ อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือเราจะต้องมองให้ตลอดสายถ้าไม่อย่างนั้นมันสับสนหมดอ่ะคือต้องอ่านให้ตลอดอ่ะเพราะคําถามต่อไปเนี่ยพระเจ้ารับสั่งให้ตอบคําถามท่านก็คิดคําถามแล้วก็ตอบถูกต้องด้วยก็ท่านรู้โทษของโลกกฎหลดดงรู้คุณของไม่โลกไม่กฎไม่หลง รู้มาจากไหนรู้เป็นจากการฟังนั่นแหละจากการฟังจากนักบวช ท, ทั้งหลายที่ผ่านมาผ่านไปนั่นแหละถ้ายังตอบได้เพร่อนเป็นคำสอนระดับจินตามียปัญญามันไม่ใช่ว่าอะไรก็ไปเสกโครมครามโครมครามไปแต่สรุปไว้คิดก่อนตรงนั้นน่มันเป็นเพียงข้อมูลระดับหนึ่งแต่ว่าคิดจากข้อมูลตรงนั้นแหละถ้าไม่พอก็ไปหาเพิ่มเติมเอา แต่พอต่อการที่จะปรองใจเชื่อสมัผลบางคนมันก็ไม่แปลกเราจะไปศึกษาข้อมูลสมหมดทุกเรื่องมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกนะเจ็ดหมอก็จับเราฉีดยาเนี่ยเราจะศึกษาข้อมูลเท่าก่อนมันก็ไม่ได้ต้อเชื่อหมอไปก่อนก็จะฉีดก็ฉีดนะเราก็ไม่รู้เรากาฉีดแล้วหายหรือไม่หายแต่เราต้องเชื่อ ความรู้ความสามารถฝีมือการวินิจฉัยของหมอแการพูดอะไร ก, ก, ก็ต้องพูดให้มันตลอดเรื่องเหมือนนคือถ้าไปตัดตอนพูดมันก็พูดยากพระงพระพุทธภาษิตรตรงนี้แสดงค่อนข้างยาวนะที่จริงก็เป็นสามพระคาถารับสั่งว่าราคะชิวทุลีเตเรนูละอองท่านหาเรียกว่าทุลีไม่ คำว่าทุลีนั่นเป็นชื่อของราคะพิสูจน์เหล่านั้นละทุลีนั้นได้แล้วอยู่ในาศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีราคะเป็นกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาเป็นกิเลสประเภทกำหนัดพอใจแต่ว่าจะเน้นไปในเรื่องเพศ ตอนเวลาแสดงแก่ภิกษุเนี่ยพุทธเจ้าจะสรงใช้กับมารักะแต่แสดงแกชาวบ้านเนี่ยจะส่งใช้กับมโลภะเป็นกิเลสประเภทคว้าขมาด้วยกันคือปุกาตันหานั่นแหละแต่ว่าการปุกาตันหามันแรงแรงกว่าคือถ้าเราแรงเนี่ยเราจะเห็นคำที่สรงใช้เนี่ยเช่นว่าอภิชาเพ่งเล็งโลภอยากได้อนี้แสดงว่าแรงกว่าโลภะธรรมดา อภิชาวิสมาโลภะเพ่งเล็งโลภอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้นอ น, อ ย, น, อ, นอยากได้ดะไปเลยอันนี้แสดงมแมรง่งไม่มีเหตุผลไม่มีสติปัญญาในการคิดอยากได้เรื่อยไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอยากได้ไปไเรื่อยแต่เรียกว่าอภิชาวิสมาโลภะราคานี้บางทีก็เรียกว่ า, าติราคะราคาที่มันล้นราคาที่มันล้นออกมา ราคาก็คือจิตที่กำหนัดมีความพอใจชอบใจแลวก็จริงก็ในกายตนกกายคนอื่นเนี่ยนะเพราะสิ่งที่เราพอใจที่จริงก็เป็นพวกอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภาธรรมลมมันไม่อื่นไปจากนั้นนะฮนะดี๋ยเราจับประเด็นได้แล้วไม่ต้องไปไปคิดมากคือบางทีท่านนับอะไรไปเยอะมากแม้ใ น, นตากถาเองหรือแม้ในพวกปฏิสัมพิธามัย เห็ น, นัวัตถุกรรมเนี่ยเป็นหน้าหน้ากระดาษนับไปเยอะอัตรกระถาอย่งนับเยอะเลยแต่ว่าที่จริงมันไม่มีอะไรคือรูปหรือนามตอนนั้นเองวัตถุการมตัวใหญ่จะเป็นรูปธรรมเพราะหมายถึงรูปเสียงกลิน่นรสโผฏฐพะนี่เป็นหลักผลราค า, านี่คือจิตที่กำหนดอยู่มันเป็นตัวทุลีจริงๆเพราะทําใจให้คุณทันทีเลย หลงใจที่เกิดราคานะเน่ยอิเดียบทไม่ปกติตาไปลิกลักเลิกลักลิกลั ก, ล ก, ลกมองซ้ายมองขวาบองบุญไม่สงบเพราะนั้นพระเจ้ญญาทรงมีวิธีที่ฝึกฝึกกา้ควบคุมอ่ะก็คุมพวกวิตกทั้งหลายเนี่ยเดาเห็นว่าพวกกุศลมิตกมันก็ตึกนนึกแนวนี้แนวที่เพิ่มทุลีขึ้นไปในจิตพวกกุศลมิตกมันก็ตึ่นึกในแนวสลาย หลายราคะโทสะโมหะโทสังกปะคือสังกปะก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่สัมมาสังกปะมันก็จดนึกแล้วก็สลายคล้ายๆเราเพิ่มกดเพิ่มด่างลงไปมันก็สลายความขุนขุนแต่ว่าจดนึกผิดเป็นมิจฉาสังกปะมันก็เพิ่มราคาโลภะโทสะโมหะเหมือนกันเพรา ะ, ะนั้นว่าภิกษุเนี่ยรเร็วผู้ที่เห็นภัยในสังสารวัฏ โดยเนื้อหาสาระท่านสาธุชนจะสังเกตว่าถ้าใช้คำนี้หมายถึงทุกคนที่เห็นภายในสังสารวัตรไม่ได้เจ จ, จงการบวชโดยรูปแบบคือบางครั้งมางคราวเรายึดมั่นถือมั่นในรูปแบบมากเกินไปมันสูญเสียเวลาไปเยอะเมื่ก่อนอ่านหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ฉบับหนึง่งนี่คนก็เขียนโจมตีเรื่องภิกษุณี แล้วเราอ่านแล้วเนี่ยเป็นวจีทุจริตเป็นมนุษทุจริตแล้วทำทำอะไรเพราะประเด็นประเด็นจริงๆเนี่ยคือพระไม่มีอานาจไม่มีหนา้าที่ไม่มีสถานะที่จะไปทำอย่างนั้นได้ถ้าเราจะสมัครใจจะไปบวชเป็นพิจุนีมาจากไหนไม่มีใครว่าอะไรเลย ทำไปเลยแล้วเขาไม่ได้ว่าอะไรนะคุณวราพรในโชคชัยสี่เนี่ยแกบวชมาตั้งสิบกว่าปีแล้วมั้งก็ไม่ใครว่าอะไรอ่ะบางทีแกก็นิมนต์พระไปไปเทศแต่ามาเองก็เคยไปไปเทศแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะแกบอกแกเป็นพิกษุนีเราก็ไม่ได้ว่าอะไรพิกษุณีก็เป็นไปเพราะว่าจำจริงพิกษุณีกับพระมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องอะไรกันเท่าไหร่อยู่แล้วสมัยพุตรการก็เหมือนกันแหละ มันเกี่ยวข้องกันไม่ได้นั่งในที่รับตาแลบผูกด้วยกันก็ไม่ได้คุยกันสองต่อสองก็ไม่ได้ถูกเมื้อต้องตัวกันก็ไม่ได้ปรับประบัดหมดทั้งคู่เลยแม่ชีพิษสุนีเป็นประราชิกเลยนะฮะพระเป็นสังฆาดิเศษเราะฉันโดยโดยโครงสร้างจริงๆเนี่ยมันไม่ผูกพันกันมาตั้งแต่ต้นแหละ ดีในในบัญญัติห้ามไปเยอะของภิษุนีในบัญญัติห้ามไปมากกว่าเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงเขท่านนั่นเองเนี่ยเพราะนั้นมันก็สร้างธุลีขึ้นไปในจิตเป็นโทสะเป็นโมหะหลงประเด็นเด็กก็เพิ่มขึ้นมาทําอะไรในเมื่อต้องการจะขัดกล่าวการขัดเกลากิเลสไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นจะต้องมีรูปแบบอะไรแต่เราตั้งใจจริงแล้วก็สามารถทําได้ อย่างแม่ชีปัจจุบันเนี่ยแม่ชีสันสันีนี่ถือว่าโดดเด่นมากเขาก็เป็นแม่ชีก็ก็พร้อมจะเป็นแม่คนทั้งหลายก็พร้อมจะให้พร้อมจะเรียกเขาคุณแม่ก็ไม่ได้มีอะไรจะทำงานได้คล่องตัวสูงกว่าได้ซ้ําไปเพราะว่าต้องอบับดับมันก็เป็นธุรีเลยเอ่ะอบับดับเยอะๆเนี่ยมันต้องง่ายนะมันเป็นธุลี ในข้อต่อไปก็ส่งแสดงทั้งโทสะคือจิตที่คิดประทุษร้ายข้อความเหมือนกันทั้งหมดอะนะโทสะคือจิตที่คิดประทุษร้ายเนี่ยมันเป็นทุลีเพรา ะ, ะนันท่านหาเรียกทุลีคือพวกละอองพวกเร น, นูพวกฝุ่นพวกโคลนพวกลมอะไรจริงๆเนี่ยไม่ได้เรียกว่าทุลีหรอกแต่ว่าอาศัยใส่ชื่อเป็นสื่อ เือสะท้อนในเหตุว่ามันทําให้แปดเปื้อนมันทําให้สกปรกมันทําให้ติดแต่ยองชําระล้างแต่เวลาชําระจริงๆมันง่ายแต่พวกนี้ชราระยากโทสะเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ประทุษร้ายต่อจิตจะลามปามไปไปกันใหญ่เพราะลุนจิตให้เกิดความเร่าร้อนเธอเคยรับสั่งว่า คำว่าทุลีนั้นเป็นชื่อของโทสะอิสูเหล่านั้นละทุลีนั้นได้ขาดแล้วอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีคือพระเจ้าเองเนี่ยปราศจากทั้งราคะทั้งโทสะทั้งโมหะโดยอาศวัคยานโดยทันสัจสรู้ตั้งแต่โน้นมานี่ตั้งแต่ปัจฉิมยามแห่งราตรีวิสาขปรุงมีที่ส่งศัจสรู้ภายใต้ต้นประสีมาโพ แล้จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นโมหะโมหะเป็นกิเลสเอเป็นกิเลสประเภทของอวิชาติเองคือรากงาวของกิเลส ท, ทั้งหลายอาการที่ปรากฏแก่กจิตของเราในชีวิตประจวันคือออกมาในรูปของความฟุ้งซ่านกับความเคร่ยดแคร่งสงสยัยแล้วท่านฟังลองนั่งสังเกตจิตดูจิตนะฮะว่างๆลองดูจิตเราเราะเจนว่าถ้าเราเนียวนึกตึกนึกถึงธรรมะเนี่ย มันจะเกิดอาการสงสัยนี่จะเยอะแต่คุ้งสั้นเนี่ยก็จะเยอะพอสงสัยแล้วมุ่งเนะี่ะพอสงสัยแล้วก็ฟุ้งนะนั้นก็เป็นอาการของโมหะแต่ว่าถ้ายัางไม่ชัดเจนเนี่ยมันไม่ถึงก็เกิดโทสะก็เกิดโมหะไม่ใช่ไม่ไม่ถึงก็เกิดราคะแต่เกิดราคะก็แสดงว่าจิตมันกําหนดค่อนข้างชัดเจน อ้ น, นี้ไม่ดีอ้ น, นี้ดีแล้วเกิดเป็นราคะเกิดเป็นโลภะเกิดเป็นโทสะขึ้นมาก็รับสา่งโดยโครงสร้างเดียวกันว่าโมหะชื่อวัทุลีแต่เรนูท่านหาเรียกวัทุลีไม่คำวมทิลีนั้นเป็นชื่อของโมหะพิสูจน์เหล่านั้นละทุลีนั้นได้ขาดแล้วอยู่ในาศาสนาของร พ, ธธพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีนี้ก็เป็นพระพุทธตํรมรัต ท, ที่ทรงแสดงแก่ ระจุลปันทกซึ่งทุกมากนะฮะท่องคาถาสีบ่บรรทัดไม่จบแต่พระพุทธเจ้าทรงประทานอารหัสให้ก็ยังนึกว่าประมาณการนะฮะประมาณการว่าคงจะสักสามชั่วโมงเป็นอย่างมากพอเรานึกดูสมมติว่าถ้าไปเจอพระพุทธเจ้าตอนเช้าก็ประมาณสัก เอาเที่ยงหกโมงก็แล้วกันน่ยสว่างก็คงต้อ ง, ต, องต้องเลยไปหน่อยนะฮะต้องเลยไปหน่อยก็ตีว่ามุ่งเช้าพระเจ้าทรงประทานผ้าขาวแล้วก็ถึงเวลากนเสด็จไปจีนโนท่านก็นั่งบริกรรมไปพอจากมุ่งเช้าถึงสิบเอ็ดโมงที่จะฉันเพลเนี่ยก็แค่สี่ชั่วโมงกเด็ก็เรียกว่าไม่เกินสี่ชั่วโมงบรรลุมรรคผลเป็นพระหรันแล้วไม่ใช่พรหันรธรรมดา ประหารประเภทเขาเรียกว่าเตชวิชาคือมีวิชาสามมีปฏิสมัมพิทาสี่มียพิญญาหกและความรู้ในพระสัตวธรรมเนี่ยก็มาพร้อมกับอรหันต์เพราะในอรหันต์มันมี ปัญญาแตกฉานในเหตุปัญญาแตกฉานในผลปัญญาแตกฉานในภาษาและปัญญาแตกฉานในไวพษษ้พิปติผ่านตัวพิญญาเนี่ยเพราะพวกนี้ก็มาพร้อมกันแต่ที่เป็นเช่นนี้ว่าทาไมท่านท่านผ้าขาวผืนเล็กๆเนี่ยทำไมท่านท่านบรรลุมรรคผลได้เขาเรียกว่าเป็นอะไรล่ะสํานวนขั้งจีงกมาม จำนวนพระศาสนาเนี่ยก็ เ, เรียกว่าเป็นพวงดอกไม้ที่เกิดขึ้นเฉพาะคนนี้โดยจฉพาปัญหาบางอย่างใช่คล้ายๆกับปัญหาพระยามิลินที่ถามพระไปสเปสปะไปเยอะแยะไปหมดเลยคือเรื่องเหล่านี้มันเกิดเฉพาะแก่พระนากเกษ็จถ้าเราอื่นท่านไม่ตออมันเป็นพวงดอกไม้ที่เกิดขึ้นเฉพาะองค์นี้ พรณการที่ที่พ้าขาวช่วยให้ท่านบรรุชาญแล้วก็เจริญในปั ส, สนากกับผ้าขาวได้เนี่ยละวันรุมะขลนเป็นประหัรต่อที่พระเจ้าทรงแสดงธุลีสามประการให้รังบตาว่าในอดีตการอดีตการที่นานไกลมากนะบาลีใช้คำว่าดึกดำบรรค์คไม่รู้เมือไร ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เสด็จเรียบพระนครก็ถึงจุดหนึ่งพระเศโทก็ไหลาจากพระนาราชก็เอาผ้าผ้าขาวสะอาดไปเช็ดที่พระนาราชแล้วผ้าขาวมันเปื้อนเปื้อนเหงื่อเปื้อนเปื้อนฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยเปื้อนเหงื่อเปื้อนใครทั้งหลายเนี่ยผ้าด้เส้าหมองก็ กรับได้อนิจจสัญญาวูปเดียวนะฮะอนิจจสัญญาวูปเดียวได้อย่างเงี้ยได้แบบพระยษะเนี่ยพระยาศะท่านได้จากการเผาศพผู้หญิงท้องแก่ผู้หญิงอนาถาท้องแก่แทงไปแทงมาแทงมาแทงไปก็เห็นศพเป็นอสุภะอสุภะก่อนแล้วเกิดอนิจจสัญญากาหนดหมายถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารทั้งหลาย เพราะั่นคือแรงผลักดันที่ทำให้ท่านเห็นสาวเป็นศพนะเพราะจิตของมนุษย์คนหนึ่งที่นอนๆอนลุกขึ้นมาเห็นสาวเป็นศพหมดเนี่โอ้โหยิ่งใหญ่มากๆไม่ใช่ธรรมดานะฮะก็เรียกว่าหนึ่งในเป็นร้อยร้อยล้านก็เห็นยากเดนเป็ น, เ ป, นเป็นพวงดอกไม้ที่เกิดขึ้นเฉพาะคือคนอื่นเนี่ยเขาไม่รู้พระมหาบัณฑท่านไม่รู้ อย่างที่เคยเล่าเรื่องลูกศิษย์ภาษาดิบุตรเนี่ยมือระดับภาษาดิบุตรยังไม่รู้เลยว่าคนนี้อกจะแก้ทางก็อย่างไงเช่นบุตรในช่างหูภาษาดิบุตรสอนนั่งสุภกรรมมันานี่ตลิดเล๋เลยพอมาถึงลูกพระหลวงพระให้ดูดอกบัวทองคําที่วิจิตพิสดารมั้สวยงามเพ่งจิตเป็นสมาธิเลยฌานเดินพวดไปจนถึงเจดุตชานิหลเจ้าก็กต่าวตอกย้ําเป็นวิปัสสนาก็สอนบรรลุมรรคผลเป็นพระหรัต บนอัสนะเดียวนะ ค, คือนั่งทีเดียวแล้วก็ลุกขึ้นนั่งเป็นบุตุชนลุกขึ้นเป็นพระอาหารหันแต่เราจะลืมว่าพระเจ้าเข้าถึงภูมิหลังที่ลึกซึ้งมากปัจจุบันนี้เราไม่เข้าถึงภูมิหลังในเรื่องเหล่านี้พอเราแก้ปัญหาต่างๆนี่ก็ยากแล้วโอกาสที่จะพบกับเด็กนี่มันก็ยากคือยากไปหมดเลยทุกวันนี่ ทีนี้าการเผยแผ่ของพระเนี่ยบางทีมันไปขัดแย้งกับธุรกิจเขาเพราะในกิจกรรมเผยแผ่ธรรมะเราจะพบว่านะักธุรกิจเขาไม่สนับสนุนนอกเพราะอะไรเพราะจะไปพูดถึงอบายมุกอบายมุกเป็นธุรกิจมหาศาลมากๆในบ้านนี้เมืองนี้นะแม้แต่พูดเรื่องสีห์้าเนี่ยไปทำลายธุรกิจคน เดยเห็นว่าถชาเราพูดสีนข้อกาเมซสุมิจฉาจาร์เนี่ยนึกถึงบานึกถึงเทคนึกถึงผับอะไรต่างๆนี่ก็เรียกนอกจากว่าหูมันหนวกเร็วอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งแล้วเนี่ยมันมั่วสุมกันเรื่องเพศมันก็ผิดสีนข้อที่สามนพระนี่เขาไม่ก็สนับสนุนให้พูดหรอกเราม้ขัดคอเขาหากินไม่คล่อง คือธรรมะนี่มันไปปะทะกับกิเลสและกิเลสเนี่ยมันตอบสนองใจมนุษย์ที่มากเลยตัณหาแต่ธรรมะไม่ตอบสนองตรงนี้เราเห็นว่าเป็นรูปเดียวที่มีอยู่เขาเรียกว่าอัธยาศัยนะเป็นจิตสันดานอยู่ภายในใจของท่านเพราะนสิ่งนี้ท่านเห็นมันเหมือนกับในอดีตการ์พระขาวก็เหมือนกัน เพื่อนเหงื่อก็เหมือนกันแต่ว่าเหงื่อ น, น้อนมันเปื้อนที่พนาราคือหน้าภากอันนี้มันเปื้อนที่มือก็คือกันและท่านก็เห็นว่าผ้าขาวสะอาดเห็นปานนี้อาศัยสริยะนี้ละปกติแปลสภาพเป็นเศ้ามองไปได้สังขารทั้งหลายไม่เชียงหนองตัวเนี้ยผ้าขาวจึงผ้าขาวเป<ๆ>ื้อนเปื้อนเหงื่อเนี่ยมันจึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยของท่าน ทีนี้พอถึงหมอชีวโกโกมาลพัทก็น้อมเขาเรียกว่าน้อมทักซีโนทกเข้าไปถวายพระทศพทุทอันนี้สําคัญนะฮะคือคือทำให้เราเห็นประเพณีอย่างหนึ่งว่าคือก่อนที่จะถวายอาหารเนี่ยเขาหลั่งน้ําลงที่พระหัตก่อนคือแทนที่จะถวายสังฆทานเนี่ยไม่ถวายสังฆทานจะไปหลั่งน้ําทักซีโนทกก่อนแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงปิดบาตรด้วยพระหัต หรการปิดบาดโดยพระหัตต์ก็แสดงว่าบาดสมัยโบราณไม่มีฝาฝาบาดนั้นก็คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทีหลังรับสั่งว่าชิวกภิกษุในวิหารยังมีอยู่ไม่ใช่หรือรับสั่งอย่างนั้นนะฮะยังมีอยู่ไม่ใช่หรือรับสั่งเป็นเชิงถามพระมหาปัญโถกก็กลาวถุนว่าในวิหารภิกษุไม่มีอยู่ไม่ใช่หรือพระเจ้าค่าไม่ใช่หรือเหมือนกันนะฮะ พระศาสดาจรัสถมีชีวิมีหมอชีวกก็ส่งคนไปอย่างที่บอกไว้แล้วนะครที่บอกไว้ในวันก่อนว่าส่งคนไปดูครั้งแรกเนี่ยคือตอนนั้นพระจุลปันโหรท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระหานแล้วหูชิบแล้วนะฮะหูทิบแด้ยินเสียงพี่ชายพูดเช่นนั้นท่านก็บอกว่าพี่ชายของเราพูดว่าภิกษุในวิหารไม่มี ประชาประกาศความที่ภิกษุในวิหารมีแก่ท่านพี่ชายดังนี้แล้วก็นิรมิตอัมพวันทั้งสิ้นนะฮะอมพวันทั้งสิ้นให้เต็มไปด้วยภิกษุแล้วก็ทําภารกิจที่แตกต่างกันมันก็ทำให้เราเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าในพระเวรุวันกาลันตะกะนิวะปะมันก็มีก้อนหนึ่งที่เป็นสวนมะม่วงเป็นป่ามะม่วง คือของหมอชีวกโกมารภัทเรียกว่าชีวกกรรมพวันคือส้นมะม่วงเหมือนกันแต่ว่าข้อความตัวนี้บอกให้เราทราบว่าตอนนี้ท่านยังอยู่ที่ประเวณวันนะฮะ ก, กัลันทกะนิวาปสถานแสดงว่าท่านไปอยู่ในบริเวณที่มีต้นมะม่วงภิกษุทั้งหลายก็ทำภารกิจแตกต่างกันนิมิตภิกษุตั้งพันรูปแล้วก็ไม่เหมือนกันและ ก, กันอันนี้ถือว่าพิเศษมาก อันนี้็เหมือนกันกันอย่างหนึ่งนิดแตกต่างกันเนี่ยการงานแตกต่างกันรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันคนนั้นไปถึงก็ไปเห็นพระเขาบอกว่าคุณหมอครับอัมพวานทั้งซีดมีเต็มเดยพระหมดเลยตรงนี้พระสังฆกัจาจา์คือพระอาจารย์ที่ทำสังขยนาท่านเล่ากนะ็ห ม, มายความว่าเป็นการเล่าต่อๆกันมาบอกว่า ควาประเทวะเทระชื่อว่าจุลปันทกนิรมิตตนพันครั้งเป็นภิกษุพันรูปในอัมพวันนั้นแหลแล้วนั่งในอัมพวันนั้นหน้ารื่นรมจนกว่าเขาจะบอกเวลาพระเจ้ากรรับสั่งว่าเธอจงไปวิหารบอกว่าพระศาสดารับสั่งหาพระที่ชื่อจุลปันทุกไปถึงท่านก็บอกว่าพราะท่านตัวแยกมาจากจุลปันทุกท่านบอกว่าอาตมาก็ชื่อว่าจุลปันทุก ก็เปล่งขึ้นหมดทั้งพันปากเลยคนนั้นก็วิ่งกรคือดกรอบมาอีกเที่ยวนึงบอกว่าได้ยินว่าภิกษุแม้ทุกรูปเนี่ชื่อว่าจุลปันทุกผู้เจ้าเลยบ่อยไปไปบอกท่านกันนั้นเธอจงไปรูปใดเอ่ยก่อนว่าข้าเจ้าชื่อจุลปันทุกก็จงจับมือรูปนั้นไว้นห้จับมือไว้นยแล้วก็รูปอื่นเนี่ยที่เหลือก็จะหายไป พิสุก็ทําอย่างนั้นเออไม่ใช่บุรุษคนนั้นก็ทําอย่างนั้นแล้วก็นําพระจุลปันธุมาพระเจ้า ก, ก็เลยรับทักษิโนโทกของหมอชีวกโกมาราาพัฒน์คพระมาครบแล้วแต่ว่าถึงตรงนี้ท่า น, า น, านพระพุทธเจ้าต้องการจะประกาศถึงสถานะที่แท้จริงของพระจุลปันธุ์ไม่ใช่พระงโง่เมื่อตอนเช้านะ ไม่ใช่พระท่องคาถาสีบรรทัดไม่จําเมื่อตอนเชา้าแต่เป็นพระอาหารหันต์ที่แตกฉานในปีนสามิทาแล้วตอนเนี้ยอ่างกันอย่างมากกว่าสีชั่วโมงไงนะก็รับสั่งว่าชีวกเธอจงรับบาตของจุลปันทุกเธอจุลปันทุกจะเป็นผู้อนุโมทนาแก่เธอหมอมสีวกก็ทําตามพระเถระกอนโมทนาแบบพิสดารนะ คล้ายกัราชสีคํารามเลยือเปล่งเสียนาตอธิบายธรรมะเสยหยดย้อยแตกสารมากอัตกถาท่านบอกว่ายังพระไตรปิดกให้กรสอนแล้วนะว่ากันตามความจริงตอนนั้นก็ยังไม่เรียกพระไตรปิดกนะตอนนั้นเขาเรียกพระสัทธรรมหรือว่านวังกษัตุศาสตร์หรือว่าป่าพฤษหรือพระธรรมบินัยนะก็แล้วแต่ก็ไม่เรียกพระไตรปิดก แต่อัตรกรถาธรรมบทเนี่เป็นอัตรกรถาที่เขียนเรียบเรียงขึ้นเมื่อเก้าร้อยกว่าปีคือพันปีสมัยพระเจ้ามหานามในประเทศลังกาบานข้อความบางข้อความเนี่ยมันก็บ่งบอกบ่งบอกถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ทำให้เรามองเห็นว่าเออในแง่ความจริงตอนนั้นไม่ยกวประใจบิดหรอก แ, แต่ว่าท่านพูดทีหลังก็หมายรู้การ เพราะว่าพระสัตว์ธรรมพระปาพจน์อะไรต่ออะไรเนี่ยประทรมินัยเนี่ยในการต่อมาเรียกว่าปฏิบิดโกท่านก็สื่อสารกับพระในยุคหลังท่านก็ใช้คำาดังนั้นพูเจ้าเสด็จลุกจากอาัศนาะภิกษุห้อมล้อ ม, อมออตามเสด็จเมื่อภิกษุทั้งหลายแสดงวัด ปฏิบัติคือหน้าที่ที่จะต้องทําต่อพระพุทธเจ้าก็คงจะตามทรงนะมีละะักษณะคล้ายๆกับตามเสด็จแล้วก็ส่งพระพุทธเจ้าถึงพระคันตะกฎุฎีแล้วพระเจ้าก็เสด็จลุกจากอาสนะแก่ภิกษุสงฆ์ก็สัตย์จัดบอกอยืนทรงยืนที่หน้ามุขพระคันตะกฎุฎีแล้วก็ประทานพระโอวาทจัดบอกกรรมฐานแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วก็ส่งภิกษุทั้งหลายไป ประเสด็จเข้าสู่ประขันตะกดุดีแล้วก็ทรงพักผ่อนบรรทมแบบสรีหัสยา่าจะนอนตะแคงขวาเป็นระยะสั้นๆนะฮกำหนดพระไทยจะลุกขึ้นมานั้นวันนี้นั่นก็เป็นพุทธวิธีประการเนึ่เท่าความทนายจุลปันตะกสูตรก็คงยังไม่จบนะเพราะว่าย้อนย้อนกลับ ตอนกลับไปสู่เหตุการณ์เบื้องหลังของพัจุรบันทกอีกตอนสองตอนน่นะครับแต่ว่าวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยทั่วกันสวัสดี